น, นั้นผมก็เพ่นไปวัดระฆังนําคําพูดต่างๆของคุณสวัสดิ์เคยผู้ไม่มั่นคงไปเล่าให้คุณนพท่านฟังทุกคําและทุกตอนคุณนพนิ่งฟังสูบบุรี่ปล่อยควันเป็นกลุ่มๆถ้าสมัยอยากจะรู้ว่าคุณสวัสดิ์เขาจะพูดอะไรต่อเขาหยุดพูดซะฉันจะพูดต่อให้ก็ได้ถ้าสมัยอยากฟังกล้าหาญพอที่จะฟังหรือเปล่าล่ะท่านหยุดพูดและมองหน้าผมทําไมอะครับทําไมจะต้องฟังด้วยความกล้าหาญด้วย ก็ฉันเคยพูดกับสมัยหลายหนแล้วนี่ว่าถ้าทำงานที่นั่นก็ต้องกล้าหาญแล้วก็อดทนเอ้ผมสงสัยจริงว่ามันอะไรกันนะครับที่โรงงานน่ะไม่มีอะไรร้ายกาจเลยที่ตึกนั่นน่ะสีหน้ากลัวแต่ก็ต้องมีความกล้าหาญอดทนนะถึงจะอยู่ได้สมัยรู้ไว้ซะคุณจิตราเมียคุณสวัสด์น่ะไม่ใช่คนแกเป็นปีศาจฮะปีศาจผมโล่งย้อนําท่านก็รู้สึกขบขันสิ้นดีเห็นคนเป็นผี ถูกแล้วสมัยเมียคุณสวัสด์นะ่ะคือผีผมแทบจะหวัวเราะกากออกมาแต่มีริศโกรธจึงไม่หวัวเราะเธอคงนึกขบขันที่ฉันพูดสินะเธอลืมแล้วเหรอเธอไปรับเมื่อยามดึกที่สถานีรถไฟคุณสวัสด์มองดูเธอตั้งแต่หัวตลอดเท้ามีกิริยาไม่ไว้ใจเธอทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะท่านตวาดเสียงถามอ๋อใช่ใช่ล่ะครับเรื่องนั้นแล้วแล้วทาไมจะโยงไปถึงว่าคุณคุณจิตราเป็นปีศาจล่ะครับ ก็คุณจิตราเป็นพิศาร์คุณสวัสดิ์สามีนะ่รู้ดีแล้วก็รู้มานานแล้วเดี๋ยวฉันจะคํานวณให้ฟังนะเมื่อฐานะบิดาคุณสวัสด์เนี่ยถึงกับล้มละลายต้องมาอยู่รวมในที่เดียวกับคุณจิตราแล้วก็บ้านมันแคบลูกสะพ้ยก็เลยไม่พอใจต้องแยกมาอยู่กับสามีแค่ตึกเดียวกับเธ อ, เ อ, อทำไมล่ะครับคุณจิตราถึงอยู่บ้านแคบไม่ได้อ๋อพิศาร์ดนะจะปิดบังพ่อผัวแม่ผัวได้อย่างไรเล่าว่าตัวเป็นใคร ขืนอยู่ต่อไปวันหนึ่งเรื่องก็ต้องแดงขึ้นมาท่านหยุดดูดบุหรี่พอคําท้ายของท่านหลุดปากมาผมถึงกับสะดุง้งเพราะเคยได้ยินคํานี้ของคุณจิตราคุยกับคุณเรนูพี่สาวว่าดิฉันมาจากปากน้ําโพได้ก็สบายใจจังคุณพี่เอ้ยขืนอยู่ต่อไปสักวันหนึ่งเรื่องก็คงแดงเข้าพอพูดแค่นี้คุณเรนูก็ขึงตากับน้องสาวให้หยุดพูดเรื่องที่คุณนบวิพากวิจารตอนนี้ชักจะเข้าท่า เรื่องตอนแรกจะไม่สนุกแต่ว่าตอนท้ายชักยังไงพี่กนคุณสวัสดิ์ไม่รู้เหรอครับว่ามีเมียเป็นผีผมถามส่งงออกไปทั้งๆที่ก็ไม่นึกเชื่อว่าจะเป็นอย่างที่ท่านพูดอ๋อรู้สิผัวก็ต้องรู้ว่ามีเมียเป็นผีแต่แต่งงานกันแล้วค่อยรู้ทีหลังอ้าวงั้นก็ชอบกับผีสิครับทาไมถึงไม่วิ่งหนีล่ะสมัยเรื่องนี้มันพูดยากนะ บางสิ่งบางอย่างที่ใครเห็นว่าไม่เหมาะแต่ตัวของเราก็เห็นว่าเราเหมาะก็เกิดไม่ตรงกันเรารักเรานิยมของเราซะแล้วมันก็ถอนไม่ขึ้นเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ทนไปได้เพราะรักซะแล้วอีกประการหนึ่งอํานาจอันแรงกล้าของปีศาจเนี่ยมันก็ย่อมดนใจทําให้คลายความรักลงไม่ได้ตอนแรกเนี่ยก็นึกกลัวอยู่หรอกนะตอนหลังกลับรักกันก็ได้เพราะว่ามันถล่มไปแล้ว ทั้งปีศาจก็ดนใจให้เห็นดีดเห็นงามไปได้ทุกอย่างท่านอธิบายเอาละครับคุณสวัสด์ทำไมจะต้องตามผีลงมาที่กรุงเทพด้วยล่ะครับก็ด้วยแรงอํานาจไงใครก็ต้องรักก็ต้องหลงของของตัวทั้งนั้นถ้าปล่อยเมียมาคนเดียวก็ดูจะไม่เข้าทีครั้นจะอยู่ก็อยู่ไม่ไหวไม่มีงานทําทั้งรักด้วยแรงอํานาจของปีศาจก็จําใจมากับเมีย แล้วก็ต้องมารถไฟขบวนดึกด้วยเพราะว่าไม่ต้องการพบคนจำนวนมากในความจริงแล้วเนี่ยถ้าเธอจะมาคนเดียวเธอก็สามารถล่องลอยมาตามสายลมก็ได้แต่ว่าห่วงผัวก็เลยต้องมารถเพราะว่าผัวก็เป็นคนนะ่ะเนาะก็ยอ่ยอมลอยไม่ได้สมัยพูดว่าคุณสวัสด์มองดูสมัยอย่างไม่ไว้ใจต่างๆนะ่ไม่ใช่อะไรหรอกก็เพราะว่าคุณสวัสด์เองแกก็รู้อยู่แล้วว่าเมียของแกน่คือผีทีนี้เมื่อมีพวกไปรับ แกก็อาจจะคิดว่าเป็นผีด้วยกันที่ไหนคนแท้ๆอย่างสมัยจะไปรับละ่ะเขาก็สงสัยก็เลยแอบดูอยู่ตลอดเวลาว่าผีหรือว่าคนท่านหยุดพักแค่นี้แต่ผมไม่เชื่อท่านเลยที่ท่านพูดแต่เหตุผลเข้าทีก็ฟังไปก่อนเออท่านครับคุณเรนูแล้วก็คุณสุรินทร์เนี่ยไม่รู้เหรอครับว่าน้องสาวเป็นผี ผมแกล้งถามขัดเล่นๆให้ท่านวุนว่นๆดูสิว่าท่านจะไปอีท่าไหนท่านหยุดดูดบุหรี่แล้วก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีสมัยเอ้ยคุณเรนูก็พวกเดียวกันกับน้องทำไมจะไม่รู้ล่ะอา้าวคุณเรนูก็เป็นผีไปอีกคนสนุกกันใหญ่ล้ครับทีนี้ผมหัวเราะเอ็ดอึงอย่างขบขันท่านหลับตาเฉยไม่ดูผมเลยคิ Q ้วขมวดนิ่งสมัยขบขันที่คิดว่าฉันเป็นบ้าไปจะบอกให้รู้นะ ว่าตึกนั้นเนี่ยมันมีคนแท้ๆอยู่เพียงสามคนก็คือสมัยคุณสุรินทร์แล้วก็คุณสวัสด์เท่านั้นโอ้โหท่านขอรับท่านก็ไม่ยกเว้นบ้างเหละครับให้เป็นผีไปทั้งหมดเมียผมด้วยแล้วก็ทางบ้านด้วยโอ้โหหมดทั้งตึกเลยผมพูดอย่างสนุกสมัยฉันเองก็จะหยุดพูดเดี๋ยวนี้แล้วเธอกาลังดูหมิ่นฉันฉันสงสารเธอหรอกนะถึงได้พูดให้รู้จาไว้เถอะว่า ฉันไม่เคยบอกให้เธอหนีเลยฉันให้เธอสู้ฉันจะไม่พูดอะไรอีกแล้วเพียงเธอไปถามเจ๊กร้านอาหารร้านเหล้าร้านกาแฟแถวใกล้นั้นเธอก็จะรู้ดีๆท่านพูดแล้วสูตบุรีนิ่งเงียบไม่พูดอะไรเลยผมรู้ว่าท่านกำลังกโกรธหากแต่รักษากิริยาของผู้ทรงศีลไว้ผมจึงก้มลงกราบท่านพร้อมกับขอโทษอย่างมากมายในมารยาทของผมคาพูดของผมที่ไม่งดงามในเมื่อสักครู่นี้เอาละ เธอกลับเถอะฉันจะพักผ่อนท่านไล่ผมอย่างสุภาพผมจึงกราบท่านเป็นการลาเดินออกนอกวัดมาใจคงนึกเรื่องประหลาดทั้งหมดอยู่ตลอดทางกลับอยู่ๆตึกนั้นทั้งตึกเป็นผีไปหมดมาเกิดสะดุดใจอยู่ตอนหนึ่งที่คุณสวัสดิ์เคยพูดกับผมว่าแล้วคุณสมัยจะรู้เองว่าพวกเราสามคนคือคุณสุรินทร์ทอคุณสมัยและตัวผมนี่แหละกาลังอยู่ในที่ใดเวลานี้และมีชีวิตอย่างไร พอนึกถึงคํานี้ก็ทําให้เกิดสงสัยใจขึ้นดูว่ากําลังจะเข้ากับคําวิจารณ์ของคุณนบกลับไปนี้จะต้องทําตัวเป็นคนดื่มเหล้าตามร้านเจกซะแล้วจะดื่มร้านแถวใกล้ๆโรงงานนั้นไล่เลี่ยงดูบ้างจะดีเพราะคุณนบท้าทายไว้บอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องตึกหรือว่าเรื่องโรงงานนั้นก็ให้ลองถามเจกแถวนั้นก็จะรู้ดีตามธรรมดาผมไม่ดื่มเหล้านอกบ้านเพราะว่าในบ้านมีเหล้าดีๆของท่านผู้จัดการเลี้ยงผมอยู่เสมอ แต่วันนี้จะต้องทําตัวเป็นนักดื่มนอกบ้านสักหน่อยเถอะผมแวะร้านอาหารใกล้ๆโรงงานแล้วก็ร้านเหล้านั้นรู้จักผมดีที่ไปรับประทานอาหารกลางวันเสมอผมสั่งวิสกี้แบบเล็กแล้วก็โซดาเย็นๆมาดื่มแล้วลองเริ่มต้นสืบสวนทีละน้อยกับจีนเจ้าของร้านผู้เฒ่าดูเอ่อเท่าแก่ครับรู้จักกับนายห้างโรงงานนี้ไหมครับอ๋อรู้จักสิเจ๊กแก่พูดไทยชัดตอบนายห้างบุญตั้งใช่ไหมล่ะ อ๋อใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคุณสุรินทร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของหมดแล้วตึกใหญ่นั้นเนี่ยก็เป็นของคุณสุรินทร์ในห้างใหญ่บุญตั้งเนี่ยตายไปหลายปีแล้วพอคำตอบของเจ๊กเจ้าของร้านตอบมาดังนั้นผมนี่เกิดใจหายวูบแต่พวกลูกสาวลูกชายยังอยู่หลายคนผมแยกแยกออกทางเป็นรองเชิงอมีสิเจ๊กตอบแต่ว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยมันนานแล้วนะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปไหนกันหมดไม่รู้ไม่เคยเห็นเลยแต่ก่อนท่านเคยออกมาซื้อของบ่อยๆเมื่อหลายปีมาแล้วลูกชายก็ตายไปสองสามคนแล้วคนที่อยู่ๆก็หายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ้วไม่ได้พบเลยเจกตอบแล้วก็ทํางานเก็บขวดเหล้าบ้างเปลี่ยนที่ตั้งขวดบ้างตามนิสัยพ่อค้าผมหัวมุนนิดหน่อยเจกอาจจะไม่รู้ว่าใครอยู่ในตึกบ้างเขาเหล่านั้นไม่เคยออกมานอกตึกอยู่เ ง, งียบๆแต่ในตึก แม้แต่คนใช้ภายในก็ไม่ออกมาเลยเจ๊กร้านนี้เหมาเอาว่าคนในตึกนี้มีแต่คุณสุรินทร์ทอนคนเดียวเถ่าแก่คงจะรู้จักกับเมียคุณสุรินทร์ทอดีสินะผมถามเข้าไปนั่นเจ๊กผููเท่าย่นคิ้วแล้วก็คิดทบทวนอยู่หน่อยนึงเอ๊ไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยออกมาที่ร้านนี้นะเอหรือว่าเข้าแต่งงานกันเข้าแต่งงานกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณสุรินทร์ทอนเนี่ยเมื่อก่อนเคยมารับประทานข้าวที่นี่ทุกวัน แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่รู้ว่าแกไปรับประธานที่ไหนนะส3ปีแล้วแต่ว่าคนงานที่ห้างเนี่ยมารับประทานที่นี่กันทั้งนั้นออขอบใจเท่าแก่มากนะครับถามแค่นี้แหละเดี๋ยวยังไงผมจะแวะมาใหม่เพราะว่าผมก็เพิ่งมาอยู่ใหม่เหมือนกันไม่รู้จักใครก็เลยลองถามดูผมพูดแล้วก็รีบจ่ายเงินเดินกลับเข้าบ้านอย่างหัวใจระสำรสายรีบทาหน้าทาตาให้ดีทั้งจัดแจงกิริยาด้วย ผ่านห้องอาหารขึ้นชั้นบนเห็นคุณสวัสด์นั่งอยู่กับเมียของเขาผมถอนใจหน่อยชักสงสารคุณจิตราที่ถูกคุณนบสงสัยว่าเป็นเมียผีของคุณสวรรัสด์ผมขอตัวไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็มาร่วมรับประทานอาหารด้วยพอเข้าห้องมาลีโดดเข้ากอดผมกลิ่นตัวเธอหอมฟุ้งอบอวนโอ้ตายแล้วคุณมาลีตัวของผมยังเหม็นเหงื่อทั้งนั้นเลยเดี๋ยวยังไงสมัยขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะ มาลีหัวเราะแล้วรีบไปจัดอะไรต่ออะไรให้ผมเช่นผ้าเช็ดตัวเสื้อและกางเกงผมเข้าห้องอาบน้ำอาบไปก็คิดไปอย่างนี้หรือจะว่าคนในตึกนี่เป็นผีทุกคนนึกแล้วก็หัวเราะคนเดียวแต่เอ๊ร้านเจ๊กเล่าว่าไหนห้างตายมานานแล้วแต่ใครหลับเป็นคนยกลูกสาวก็คือคุณมาลีให้กับผมทั้งแต่งงานกันกินเลี้ยงกัน และก่อนหน้านี้ก็ยังเคยให้ผมเนี่ยไปรับคนที่เป็นผัวเมียหนุ่มสาวคู่นั้นที่สถานีรถไฟเมื่อยามดึกหรือคนนี้จะเป็นบิดาเลี้ยงกระมังไม่ใช่ในห้างบุญตั้งผมชักคิดวุ่นวายดูมันจะสับสนอยู่สำหรับตึกนี้มันลึกลับชอบกนครั้นคิดวูบไปถึงอีกแง่หนึง่งกลับใจหายหรือตระกูล น, นี้คิดไม่ดีต่อประเทศไทยแอบเล่นการเมืองจึงแกล้งหลบตัวในห้างบุญตั้งก็ยังอยู่แต่ปล่อยข่าวว่าตายแล้ว หรือไม่คนที่ทำตัวเป็นนายห้างนี้ก็ไม่ใช่ในายห้างบุญตั้งแต่เข้ามาสวมรอยอย่างไรกันเพราะสองปากยันว่าในห้างบุญตั้งเนี่ยตายนานแล้วเช่นคุณนบกับเจ๊กร้านอาหารก็ช่วยกันยืนยันถ้าเป็นอย่างนั้นผมมีกำลังหลงเข้ามาอยู่กับสมาคมใดสมาคมหนึ่งที่กำลังจะคิดร้ายกับบ้านเกิดเมืองนอนคุณสวัสดิ์เคยคิดจะหนีเมียคงจะรู้ตัวว่าหลงเข้ามาสู่ทางผิดกระมัง การที่แพร่ข่าวลับคนนั้นตายคนนี้ตายคงจะมีแผนอะไรสักอย่างความจริงแล้วคนเหล่านี้ก็ยังอยู่ทั้งนั้นและเมื่อกี้เมียของผมกอดผมเนื้อหนังของเขาก็ยังนุ่มนิ่มอบอุ่นมันเนื้อคนแท้ๆไม่ใช่เนื้อเย็นเชียบอย่างน้ำแข็งจะได้เป็นเนื้อผีถ้าเรื่องมันไปทำนองนี้ผมจะทำอย่างไรกันล่ะ แน่แล้วเพราะด็อเตอร์เทพเจอมาณีนั่นไงละ่ะเข้ามาสมทบอีกคนถูกบ้านนี้เอาลูกสาวล่อให้หลงเข้ามาถึงกับวางแผนว่าตายในเรือบินตกทะเลสมาคมนี้เอาหญิงเป็นสื่อกวาดต้อนคนเข้าพวกและก็มีกติกาแปลกๆเช่นห้ามคนในออกติดต่อคนนอกแต่คนนอกเข้ามาได้เฉพาะผู้ชายอะไรๆทั้งหมดมันก็เป็นการปล่อยข่าวที่มีแผนการ คุณนบรู้อะไรๆจากเพื่อนของท่านก็โดยถูกการปล่อยข่าวทั้งนั้นแม้กระทั่งตัวของคุณนบเองก็อยู่ห่างๆไม่ได้ใกล้ชิดอย่างผมท่านพูดอะไรก็เป็นการพูดที่วิจารณเาเองซึ่งล้วนมาจากข่าวลือคุณจิตราที่ถูกคิดว่าเป็นผีที่แท้ก็คือนางสื่อสายคนหนึ่งที่ทำการล่อเอาคุณสวัสด์เข้ามาพัวพันอยู่ในสมาคมนี้ใช่แล้วใช่แน่นอนคุณสวัสด์รู้ตัวแล้วว่าผิดทาง แต่ยังไม่กล้าพูดอะไรออกมาเป็นเพียงแต่พูดทิ้งทายว่าแล้วคุณสมัยจะรู้เองว่าเราสามคนนี้กำลังมีชีวิตอยู่ที่ไหนในเวลานี้พอคิดได้แบบนี้ผมถึงกับตัวเย็นซีดและปักใจลงไปทีเดียวว่าถ้าเข้ามาอย่างลึกลับเราจะต้องลึกลับตอบคือทำอะไรเป็นไม่รู้เลยแต่หัวใจนั้นเต้นเหมือนกลองออกจากห้องน้าแล้วแต่งตัวทาหน้าผ่องใสเกรงว่าใครๆจับได้ว่าผมรู้ความลับ ผมอาจจะมีอันตรายถึงตายก็ได้เรารับประทานอาหารกันและเครื่องดื่มกันอย่างผาสุกแต่เพียงกิริยาหัวใจที่แท้นั้นแย่ทีเดียวผมจำเลืองดูคุณสวัสด์และคุณสุรินทร์นึกสงสารว่าทุกคนกำลังเข้ามาร่วมกับผู้ก่อการร้ายต่อบ้านเมืองทั้งนั้นโดยไม่รู้ตัวแน่ๆที่มีโครงการเอาผู้หญิงทุ่มเอาเงินทุ่มมีอย่างที่ไหนที่แบ่งหุ้นส่วนของห้างให้กับผมและคุณสวัสด์ โดยที่ผมทั้งสองไม่ได้ลงทุนเข้าหุ้นเลยจนบาทเดียวอย่างนี้คุณสุดินทร์ม่เป็นตัวจักสำคัญของสมาคมไปแล้วนะสิเพราะคุณสุดินทร์ทาการแบ่งเงินให้กับเราอย่างง่ายที่สุดเมื่อกลับมาถึงห้องนอนแล้วผมตกใจนิดหน่อยว่าผมคงมีกิริยาพิรุษอะไรออกมาบ้างแล้วมาลีมองดูตาผมอย่างสงสยัยมีอะไรในใจหราคะสมัยมาลีถามผมขึ้นเลยลอยผมเผลอตัวมีกิริยาสะดุง้ง สมัยรักมาลีมากไหมคะมาลีถามผมแล้วก็จ้องตาผมอย่างลึกล้วงเพราะนอนหงายอยู่บนเตียงนอนมาลีเอาอกเธอทาบอกผมแล้วก็หน้าใกล้กันโถทูนหัวถามได้ชีวิตของสมัยเท่านั้นที่รักเท่ากับตัวมาลีนอกนั้นไม่เคยรักอะไรเท่าเลยว่าแต่มาลีถามสมัยทำไมล่ะครับ ผมตอบและถามเธอพร้อมกับโอบกอดและจูบอย่างชื่นใจระงับความกระวนกระวายให้เบาบางลงก็ในชีวิตของสมัยเองเนี่ยก็เพิ่งเคยรักผู้หญิงคนเดียวก็คือมาลีโดยไม่เคยคิดจะรักใครผมพูดต่อด้วยความจริงใจแล้วก็กอดเธอเธอก็กอดตอบผมแล้วก็จูบผมชีวิตมาลีถ้าไม่มีสมัยก็นับว่าเป็นคนที่เคราะหรายที่สุดในโลกยังไงขอให้สมัยสงสารมาลีแล้วก็รักมาลีเถอะนะคะ แม้แต่จะมีอะไรเกิดขึ้นก็จงเอาความรักของเราเป็นใหญ่นะที่รักเธอกอดผมและพูดอย่างอ้อนวอนผิดปกติธรรมดาผมฟังแล้วสะดุ้งใจวูบทำไมจึงพูดพิลึกหรือว่าเหตุการณ์ร้ายกำลังจะระเบิดขึ้นมาแล้วมาลีจา๋าเราสองคนจะกอดกันตายไปแล้วก็ไม่ยอมจากกันผมพูดออกไปคล้ายกับว่ากำลังจะเกิดขึ้นแล้วสมัยคะ่ะมาลีจะไม่ปิดความลับอะไรกับสมัยทุกๆอย่างเลย ยอดชีวิตของมาลีมาลีหลอกลวงยอดชีวิตของมาลีมาแต่แรกแล้วก็จนเดี๋ยวนี้เธอพูดขึ้นแค่นี้ผมก็ใจหายเหมือนตายไปครึ่งตัวเธอกำลังรับสารภาพแล้วว่าเธอลวงผมเข้ามาสู่การร้ายมาลีรักสมัยสุดหัวใจจึงต้องล่อลวงมาตลอดยอดชีวิตของมาลีเมตตามาลีของสมัยเธอเธอกระซิบ ท, ที่หูผมแล้วร้องไห้เบาๆผมตกใจรีบกอดเธอไว้ มารีของสมัยเราเป็นของกันและกันแล้วไม่มีอะไรจะพลาดจากเราได้นะผมรีบปลอบเธอและพูดด้วยความจริงที่ไม่ใช่พูดแค่สำนวนรักเธอกอดผมตอบแน่นคล้ายจะกลัวหลุดหรือถูกแยกจากกันสมัยคะมาลีไม่ใช่มนุษย์มาลีตายไปนานแล้วเธอพูดผมสะดุ้งทั้งตัวแล้วหมดแรงอ่อนเปลี่ยมาลีกอดผมแน่นร้องไห้กระสิบ ก, กระสิบอยู่ที่อกผม สมัยเมตตามาลีด้วยนะคะมาลีรักสมัยสุดหัวใจสาบานไว้ว่าสมัยจะไปแห่งใดมารีก็จะตามไปสุดขั้วโลกผมใจลอยลิว่วมีความรู้สึกคล้ายกับฝันแต่มันเป็นความจริงไปแล้วหรือยนี่มารีคือปีศาจอย่างที่คุณนบท่านคำนวณไว้และบอกไว้เว้นกรรมอะไรของผมและมารีมารีจา๋าอย่าตกใจเลยมารีจะเป็นอะไรสมัยก็เป็นของมารีเสมอ อย่าลองใจสมัยสิผมพูดเธอยิ่งร้องไห้หนักขึ้นมาลีพูดทุกคําเป็นความจริงทั้งนั้นรักมาลีเวทนามารีก็นึกว่ามารีคือเมียของสมัยจริงๆกอดมารีแน่นๆเถอะนะคะใจของมารีจะระเบิดแล้วเธอพรำบอลอย่างน่าสงสารโอ้จ้ประคุณคุณนบท่านโกรธผมที่ไม่เชื่อท่านผมเชื่อท่านแล้วผมรักมารีจะสู้ด้วยความกล้าหาญ จะสู้รักไม่หน่ายนี้มีชาติเดียวชาตินี้ที่สุดแต่จะเป็นไปผมกอดรัดเธอแน่นและจูบเธอทั้งน้ำตาที่นองหน้ายอดรักคะ่ะจงทำใจให้กล้าหารไว้เถอะมาลีอยู่กับที่รักมาลีจะคุ้มกันตลอดเวลาในตึกนี้คนที่มีชีวิตแท้ๆมีเพียงสามคนเท่านั้นคือสมัยคุณสุรินทร์ของน้องเรนูและคุณสวัสด์ของน้องจิตรานอกกนั้นทั้งตึกไม่ใช่คนคะ่ะ คุณพ่อท่านรักมาลีจึงวนเวียนวิญญาณสิงสู่อยู่ด้วยท่านจัดการแต่งงานให้เราเ ง, งียบๆในตึกตามประเพณีของพวกเราทั้งคุณสุรินทร์และก็น้องเรนูท่านก็แต่งงานเ ง, งียบๆอย่างเราทั้งสองผมยังติดใจเรื่องดอรเทพอยู่ก็เลยถามว่าเอาแล้วดรเทพก็เป็นธาตุเดียวกันกับมาลีหรอใช่ค่ะคุณเทพตายที่เมืองนอกน้องสายรุ่งเรียกวิญญาณเข้ามาเพราะเดิมเขารักกันมาก หากแต่คุณพ่อคนเดียวที่ขัดไว้เพราะเห็นว่าฐานะคุณเทพไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาทั้งสองคนก็สบายกันแล้วเท่าที่เขารู้ว่าสมัยแอบฟังความลับเขานั่นน่ะที่จริงเพียงแค่เขากลัวว่าสมัยจะรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเขาก็เลยกลัวเรื่องมันจะแดงขึ้นแค่นั้นเองค่ะเขาอยากจะให้มันเป็นแค่ข่าวลือทั้งๆ ท, ที่เขาก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเธอเล่าให้ฟังอย่างละเอียดดูเถิดท่านที่รัก นอกจากสามคนเท่านั้นในตึกนี้นอกนั้นเป็นผีหมดดูเถิดเป็นไปได้เมื่อครู่นี้ใจผมยังเขวะอยู่ว่าผมกําลังมาม่วนสุมอยู่กับสมาคมก่อการร้ายแต่ฉะไหนามาเป็นว่าผมมาม้วนสุมอยู่กับปีศาจทั้งนั้นแล้วเรื่องคุณสวัสดิ์ล่ะที่รักผมถามเธอเพราะจิตใจกล้าหานซะแล้วเมียเป็นผีจะไปกลัวผีที่ไหนกันอีกเมียผมย่อมคุ้มกันได้อ๋อ คุณสวัสด์แต่งงานกับน้องจิตราโดยไม่รู้ความจริงว่าจิตราคือมนุษย์ที่ไม่มีชีวิตแต่ว่าเขาแต่งกันออกหน้าออกตาคุณพ่อจัดแต่งให้ที่บ้านอื่นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของจิตราไม่มีชีวิตแล้วคุณพ่อของมาลีให้ผู้จัดการโรงงานคนเก่าแล้วก็คุณสุดินทร์นี่แหละจัดการแต่งงานให้โดยเรียบร้อยอ๋อเหตุนี้เองหรือพวกเราในตึกนี้ที่ไม่สังคมกับใครก็เพราะกลัวใครจะรู้ความจริงผมพูด มาลีสั่นหัวนิดนึงและพูดว่ากลัวรู้ความจริงน่ะไม่เท่าไหรหรอกแต่ว่ากลัวจะเกิดนะสิสำคัญกว่าเพราะว่าสังคมกับใครๆก็ต้องพบกับผู้หญิงที่เริ่มมีครรภ์บ้างแล้วก็จะถูกดูดดึงเข้าไปในท้องแล้วก็เกิดคือพวกเราชอบชีวิตและก็ความเป็นอยู่แบบนี้มากกว่าการไปเกิดพวกเราชาวกายทิพย์กลัวการเกิดที่สุดและววันหลังมาลีจะอธิบายให้ฟังถึงสภาพของพวกเราอย่างละเอียดนะคะ คนเรานี้เมื่อยังไม่รู้อะไรจริงก็กระวนกระวายใจนักครั้นรู้ความจริงแล้วก็เท่านั้นเองผมมีผู้คุ้มกันหัวใจอยู่จึงไม่กลัวซะแล้วเรื่องพูดผีปีศาจถ้าเกิดกลัวผมก็ต้องกลัวเมียผมเองเป็นคนแรกแต่ผมมันมีแต่ความรักฝังแน่นซะแล้วคืนนั้นผมกอดมาลีเมียรักของผมอย่างผาสุกตลอดคืนรุ่งเช้าขึ้นเราพบกันที่ห้องอาหารคุณสุรินทร์พูดกับผมอย่างแปลกกว่าที่เคยคุยกันมาเธอกล้าหารมากนะสมัย เขาพูดจบแล้วจับมือผมผมนึกในใจว่าตึกนี้นะ่ะมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องรู้กันรวดเร็วเรื่องก็มีว่าเราจะพูดอะไรกันก็มีผู้ได้ยินหมดเพราะพวกเขามีหูทิฟใจทิฟขอบใจคุณพี่มาลีมากที่ทําความเรียบร้อยดีคุณสุรินพูดแล้วก็ต่างคนก็ต่างหัวเราะกันผมเพิ่งจะเห็นชัดในเช้านี้เองว่าสภาพของคนในตึกนี้เป็นอย่างไรพวกผู้หญิงทั้งหมดมีการเคลื่อนไหวอ ย, อย่างลมอ่อนนุ่มคล้ายกับปลิวไป จะตักอาหารหรืออะไรมันอ่อนทั้งนั้นดูคล้ายๆฝันแต่เมื่อแรกไม่เห็นดังนี้ก็เพราะเขาทั้งหมดปกปิดเราอำพรางตาเราไว้ตลอดเวลาเราจึงไม่มีข้อสังเกตความจริงได้คุณสวัสด์มองดูหน้าผมแล้วก็หัวเราะคุณสมัยน่าจะรู้อะไรตั้งนานแล้วนะว่าทำไมเราต้องมารับประทานอาหารกันห้องนี้โดยรวมกลุ่มเราสามคนเท่านั้นก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีร่างกายแท้ๆจาเป็นต้องรับประทานอาหารจริงๆ ทำไมพวกอื่นๆถึงไม่มาร่วมกับเราก็เพราะว่าเขาทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องการอาหารจริงๆเลยเท่าที่จัดขึ้นห้องนี้ก็เพราะว่าห่วงเราที่ต้องการอาหารจริงๆที่ทุกคนทำมารับประทานอาหารร่วมกับเราเนี่ยก็เพราะว่า ท, ทําทีเป็นรับประทานกับเราก็แค่นั้นคุณสวัสด์พูดแล้วก็หัวเราะคนอื่นก็เลยหัวเราะไปด้วยรู้สึกขบขันที่เขาต้มผมได้สนิทผมนึกถึงวันที่คุณสวัสด์มาวันแรกดูช่างสังเกตอาหารซะจริง เช่นนี้เองคุณสวัสด์กลัวจะถูกอาหารเทียมคือกลัวโดนอาหารหลอกเพราะยังไม่เชื่อว่าตัวผมกับคุณสุดินทร์เป็นพวกกายทิพย์หรือเปล่าเย็นวันนั้นหลังจากเลิกงานแล้วเอารถห้างออกใช้โดยมีสิทธิ์มุ่งไปวัดระฆังหาคุณนบทีเดียวผมลงกราบขอโทษเป็นการใหญ่ที่ได้โกรธท่านและหาว่าท่านพูดเพอ้อพกเมื่อขอโทษแล้วก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ท่านฟังท่านฟังแล้วก็ยิ้มอย่างอารมณ์ดีฉันรู้ชีวิตของเธอดีท่านว่า ตั้งแต่เธอมาเล่าอะไรให้ฟังในหนที่สองฉันก็คำนวณแล้วก็ออกสืบถามจากเพื่อ น, นที่รู้จักตระกูลนี้ฉันรู้อะไรอะไรหมดสิ้นแต่ว่าไม่กล้าบอกเธอเพราะรู้ว่าการงานในเวลานี้เนี่ยมันทำยากเท่าที่ได้ทำก็นับว่าโชคดีฉันรู้ว่าท่านผู้จัดการจะต้องรักษาน้ำใจเธอเกลียกกล่อมเอาไว้เป็นเพื่อนที่ไหนจะทนต่อสู้กับปีศาจโดยตัวคนเดียวละ่ะก็เลยจัดว่าเขากล้าหาญมากที่อยู่สู้กับปีศาจเพียงคนเดียวในตึกนั้นมานาน หลังจากได้ขึ้นแทนผู้จัดการเก่าที่ยอมทนอยู่กับปีศาจไม่ไหวจึงลาออกแล้วก็ยกคุณสุรินทร์ให้ถ้าไม่ทำแบบนั้นนะก็ไม่ทราบว่าจะเอาใครมาทำงานแทนได้ตามที่ตกลงไว้กับนายห้างบุญตั้งปีศาจใหญ่เพราะนายห้างบุญตั้งต้องการเอาโรงงานนี้ไว้เป็นที่กำบังหน้าและรักษาตึกเก่าให้คงอยู่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสิงสู่อยู่ด้วยกันทั้งเครือญาต ครั้นคุณสุรินทร์หลงทํางานไปคนเดียวโดยคิดว่าในตึกนั้นเป็นคนจริงๆจนกระทั่งเกิดรักขึ้นกับคุณเรนูนายห้างก็จัดการแต่งงานเงียบๆโดยอ้างว่าไม่ชอบสังคมคุณสุรินทร์ก็ยอมครั้นแต่งงานกันแล้วก็รู้ว่าคุณเรนูเนี่ยคือปีศาจแต่ว่าอํานาจปีศาจแรงกว่าก็กล่อมใจให้คุณสุรินทร์หลงไหลแล้วก็รักใคร่ไม่คิดหนายนี้แต่กระนั้นก็ยังว้าวเวที่อยู่คนเดียวกับดงปีศาจ บังเอิญเธอเนี่ยเซซังไปสมัครงานและเมื่อตรวจดูนิสัยก็พอจะคบได้ก็เลยเอาไว้เป็นเสมียนประจำตัวทั้งให้ที่อยู่ที่กินด้วยเลยก็เป็นอันว่าได้เพื่อนแท้เป็นคนกับเขาคนหนึ่งเรื่องนี้ถ้าฉันบอกเธอตั้งแต่แรกเธออาจจะโจรห น, นีไปแล้วงานที่ดีเงินที่ดีเธอก็จะช่วไม่ได้เลยตัวของฉันเองก็เลยนิ่งพยายามปลูกให้เธอกล้าหารเห็นแก่งานเพื่ออนาคต ท่านหยุดพูดและริณน้ำชาขึ้นจิบที่ฉันรู้อะไรๆมากมายแล้วก็รู้เรื่องของเธอโดยล่วงหน้าซะอีกนั้นก็เพราะว่าฉันเนี่ยพบกับเรื่องของปีศาจมามากมายจนสละตัวเองบวชอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าเอือมปีศาจแล้วก็ขออาอพระเหลืองช่วยยังไงเองฉันก็ขอเตือนให้เธอกล้าหาญแล้วก็สู้ต่อไปนะรักคุณมาลีให้มากๆให้สาสมกับที่แกรักเธอถ้าหากว่าเธอคิดทรยศอาจจะมีอันตรายได้ เพราะว่าความรักเนี่ยมันสำคัญถ้าลงแค้นก็แค้นสุดที่เชื่อฉันเถอะฉันผ่านมามากแล้วรู้อะไรหมดของให้เธอสู้ไปจนกว่าจะถึงการเวลาที่จะเปลี่ยนชีวิตไปได้เองอย่าไปคิดอะไรเข้านะจะบอกไว้ให้ความซื่อสัตย์เป็นของไม่ตายท่านพูดเห็นเวลาพอเพียงแล้วผมก็ลาท่านกลับมายังตึกของสมาคมที่ไม่สังคมมนุษย์ตามเคยในเวลาต่อมาการสอนดนตรีพวกนั้นก็เป็นกันเองมากกว่าเก่า โดยทุกคนไม่ต้องปิดบังความจริงอะไรกับผมแล้วความหวาดกลัวมีอยู่บ้างในเมื่อรู้ว่าพวกนั้นไม่ใช่คนแต่ผมก็ทำตัวเฉยๆเป็นปกติเพื่อให้เคยกันไปเพราะว่าเทียบเคียงเหตุผลแล้วก็เห็นว่าผมจะไปกลัวพวกเขาทำไมก็ในเมื่อมาลีก็คือผีถ้าลงกลัวคนอื่นเข้าลงท้ายก็จะเกิดกลัวเอาเมียตนเองเข้าจะยุ่งใหญ่ผมเหลือความกลัวไว้เพียงคนเดียวคือ น, นายห้างเนื่องจากไม่เคยได้ใกล้ชิด นานๆจะพบสักครั้งทั้งก็เป็นชายและผู้ใหญ่ที่น่าเกรงขามผมไม่กล้าเดินตามที่มืดมดในตึกนั้นเลยแต่อาศัยมาลีเท่านั้นที่คอยเคียงข้างผมอยู่ตลอดเวลาจึงค่อยบรรเทาความกลัวไปได้สำหรับมาลีนั้นผมยกชีวิตของผมให้กับเธอแล้วสุดแต่การลัทธิไม่สังคมกับมนุษย์ได้เข้าแพร่เต็มหัวใจผมนบะบัดนี้ผมไม่ไปเที่ยวที่ใดอย่างเดียวกับคุณสุรินทร์ เพราะถ้าไปคนเดียวก็คิดถึงอีกคนที่ไปด้วยไม่ได้จะมีความสุขอะไรละ่ะครั้นจะให้เธอไปด้วยโดยไม่สำแดงกายไปอย่างตัวใสใสเป็นกายทิพย์แต่เธอไม่ยอมไปเด็ดขาดเพราะกลัวจะต้องไปผุดไปเกิดถ้าถึงคราวเคราะห์ไปเฉียดคนตั้งท้องใหม่ๆก็จะถูกดึงดูดไปเกิดเพราะคนตั้งท้องมันดูยากมองด้วยตาไม่รู้เท่าที่รู้ว่าหญิงไหนกําลังมีท้องนั่นก็หมายถึงว่าค่อนข้างแก่และก็มีวิญ ญ, ญาณประจําตัวผู้จะเกิดแล้ว พวกกายทิพย์กลัวคนท้องที่เพิ่งจะก่อตั้งก้อนเลือดอ่อนๆซึ่งมองไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะไปเที่ยวไหนมาลีไปไม่ได้ผมก็คิดถึงเธอแต่สำคัญที่สุดคือยังไม่เชื่อใจตนเองเพราะว่ายังหนุ่มนักไม่เคยมีเรื่องรักอย่างหนุ่มอื่นๆปะไปโดนดีพบเอาญิงใดเข้าเกิดรักเขาเข้าจริงๆจะเกิดยุ่งผมไม่กล้าทรยศ ต, ต่อมาลีพูดกันง่ายๆก็ว่าผมกลัวเมียนั่นแหละครับ ตัวของผมเองอาจจะประสบกับอันตรายใดก็ได้ถ้าเธอโกรธแค้นจะสำแดงเดชให้เป็นผมก็เลยกลายเป็นมนุษย์ที่ไม่สังคมแต่ก็มีความสุขดีอย่างสะสมมีเงินมีทองใช้ดีมียอดรักที่สดชื่นอยู่เสมอจะดูเมื่อไหร่เธอก็ยังสดใสพริง้งมีเสน่ห์ตลอดเวลาและคิดว่าทุกๆเมื่อผมจะยอมตายเพราะเธอได้นอกเสียจากชะตาชีวิตจะหมุนไปเองตามลิขิตอย่างที่คุณนบว่าไว แต่การจะดิ้นรนหาทางไปอีกนั้นยากมากแม้แต่คุณสุรินทร์และคุณสวัสด์เวลานี้ตึกนั้นโรงงานนั้นเป็นเจ้าเป็นของเราก็จริงอยู่แต่เราจะหวังเป็นสมบัติของเราโดยแท้กระนั้นหรือถ้าหากคุณเรนูคุณจิตราคุณมาลีเป็นมนุษย์ธรรมดาย่อมมีเวลาแตกดับได้ก็คือตายไปสมบัตินั้นนั้นก็ตกเป็นของสามีแต่ทั้ง3ามคนนี้จะตายได้อย่างไรอีกเพราะว่าตายมาแล้วสมบัติทั้งหลายก็เลยต้องเป็นของเราไม่ได้จนแล้วจนรอด ขอให้ท่านที่เคารพทั้งหลายมองดูเองก็แล้วกันว่าผมกับคุณสวัสดและคุณสุรินทร์โชคดีหรือโชคร้ายประการใดถ้าหากว่าจะนึกไปทางธรรมะก็หมดเรื่องไปทุกคนเกิดมาด้วยความจําเป็นก็มีเกิดมาด้วยประสงค์จะเกิดก็มีแต่ทุกคนก็มีชีวิตอยู่เท่าที่กำหนดหมดกำหนดก็ต้องจากไปแล้วก็เอาอะไรไปอีกในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วก็ไปแต่ตัวเท่านั้น อะไรอะไรที่ให้ความสุขได้ในขณะนี้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ยึดสิ่งนั้นไวเ้เถอะไม่มีใครทราบเวลาจะจากในโลกนี้ไปได้คนไหนก็คนนั้นผมก็เลยปล่อยตามกรรมที่ทำมาตามวาสนาจะเป็นไปก็จงเป็นไปตามเรื่องของชะตาคนและในที่สุดความไม่แน่นอนของชะตากรรมของคนก็สำแดงขึ้นผมทั้งสมคนก็คือคุณสุรินทร์คุณสวัสด์หมดที่อยู่อาศัยหมดที่ทางาน หลังจากที่มีความสุขกายสบายใจอย่างมนุษย์ไม่สังคมมาอีก 2-3 สปีก็มีอันเป็นไปคือมหาเพลิงที่เกิดจากต้นไฟที่อื่นมาเล่นงานโรงงานของเราแล้วก็ตึกของเราวอดวายไปหมดพร้อมๆกับของมีค่ายอดยิ่งก็คือมาลีของผมเธอติดอยู่ในไฟผมไปกอดปล้ำจะเอาเธอออกจากไฟแต่แล้วจะด้วยอะไรผมก็แปลไม่ออก กลายเป็นผมถูกไฟลวกหลายแห่งแต่ฝ่านี้กองไฟออกมานอนสลบนอกกรองมหาเพลิงหมดความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นมารู้ตัวเอาที่โรงพยาบาลผมนอนพันผ้าไปทั้งตัวอยู่บนเตียงและก็รู้ภายหลังอีกว่านอกจากผมแล้วยังมีคุณสุรินทร์คุณสวัสด์เป็นคนไข้นอนเรียงกันอยู่สามคนและผู้ที่มาเยี่ยมก็คือพระภิกษุนบใจผมยังไม่หายสะอื้นมารีของผมหายไปไหนวิญญาณของเธอพนเจอนจร ไปอยู่ที่แห่งใดหรือว่าต้องไปเกิดซะแล้วเธอจะรู้หรือไม่ว่าสามีของเธอนอนเป็นลูกผีลูกคนที่โรงพยาบาลแห่งนี้ผมหมดอะไรตายอยากนึกว่าแม้จะไม่ตายถ้าหายออกจากโรงพยาบาลร่างกายก็คงครึ่งผีครึ่งคนเพราะมีแผลเป็นตลอดตัวคุณนพให้กําลังใจตลอดเวลาที่มาเยี่ยมว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายก็ให้ต่อสู้ไปกุศลยังมีอยู่มากหายเจ็บแล้วมีแผลเป็นเพียงอ่อน หมอว่านานๆเข้าก็หายเป็นปกติแต่การหมดที่ทำงานนี่แหละสำคัญเคราะดีที่เงินในแบงก์ก็ยังมีอยู่พอประทังชีวิตไปจนกว่าจะหางานทำได้คุณนบทำนายหรือคเนเอาว่าวิญญาณมาลีคงจะไปเกิดแล้วจึงไม่เคยมาเยี่ยมเยียนผมอีกเลยเมื่อเราหายเป็นปกติดีแล้วเราสามคนก็ต้องแยกทางกันคุณสวัสด์กลับไปหาบิดามารดาที่นครสวรรค์ คุณสุรินทร์แยกไปอยู่บ้านเขาส่วนตัวผมไม่ยอมกลับบ้านขออาศัยคุณ น, นบอยู่ที่วัดระฆังสบายๆก่อนรอวันรอคืนว่าถ้ามาลียังไม่ไปเกิดอาจจะเร่ร่อนมาพบกันอีกคอยไปจนกว่าจะหมดหนทางที่จะพบกันคุณ น, นบเป็นพี่เลี้ยงให้กำลังใจตลอดเวลาแต่ว่าใจผมนั้นไม่มีความสุขเลยความหลังความเก่ายังระดมสมอยู่ยังไม่จางลงไปได้อ น, นิจจามาลีของพี่เอย๋ยป่านนี้ เธอไปอยู่แห่งใดเล่า